พั้นการงดเวสเนี่ยหรือการละละอันนี้ก็ละด้วยอํานาจการสมทานคําว่าเจตนาในการมบท7ได้แก่เจตนาในกุศลกรรมบทเจโดยลําดับให้สําเร็จการละปานาติบาตเป็นต้นสัตว์กระทํากรรมใดมีการเป็นชู้ภรรยาของคนอื่นเป็นต้นด้วยอํานาจอภิชาเป็นต้นอำนาจอภิชาเป็นต้ น, า น, า น, ตนที่เป็นตัวละกรรมอันนั้นชื่อว่าเป็นศีล เพราะฉะนั้นท่านพระองค์จึงกล่าวว่าเจตสิกก็เป็นศีลใช่ไหมคืออภิชาเนี่ยเป็นเหตุให้ทุศีลอานาพิชาก็เป็นเหตุให้รักษาศีลได้เหมือนกันครับก็เป็นศีลที่เป็นพื้นฐานจริงๆเป็นเบื้องต้นจริงๆเพราะว่ามีเจตนาในการที่จะละเว้นไม่ทําบาปด้วยกายกรรมสามบัจจกกรรมสี่ แล้วยังห้อยท้ายว่าถ้ามีการมีวัดปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่ยังมีห้อยท้ายไว่ให้อีกหน่อยนี่เป็นเจตนาศีลถูกไหมอ่าเป็นเจตนาศีณ์ถูกไหมครับอ่าอันนี้เนี่ยที่กล่าวไว้ว่ามีกุศลกรรมบททิ้เจดถูกไหมครับก็หมายความว่ากายกรรมสามวัจจิกำรรสี่นี่เป็นเครื่องหยับหยาที่คล้ายๆว่าศีลห้าเหมนกันเถอะนะครับคล้ายๆว่าศีลห้า เป็นเบื้องต้นจริงๆเจต่าแต่ว่าพอมาเจตสิกเป็นศีนะครับเจตสิกเป็นสีเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นกุศลที่สูงกว่าเจตนาเพราะว่าเจตสิกเป็นสีนั้นเริ่มต้นด้วยตั้งแต่หนึ่งสัมมาวาจาเรียงไม่เรียงไม่ทราบนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะใช่ไหมครับหมายความว่าเจตนาที่จะ เว้นพูดชั่วแล้วเนี่ยยังไม่พอพอมาเจตสิกเป็นศีลเนี่ยนะครับต้องพูดดีด้วยถูกไหมครับกึศนอกจากจะพูดเท็จพูดคําหยาบแล้วยังไม่พอพอเจตสิกเป็นศีลต้องพูดด้วยว่จีสุจริตด้วยพูดอ่อนหวานพูดสัตว์พูดมีประโยชน์อะไรน่ะนะครับแล้วก็ยังห้อยท้ายมโนโกรรมอีกสามีอาณพิชชาอัพยาปาทะแล้วก็สมาธิ ดูแล้วรู้สึกว่าเป็นกุศลที่สูงกว่าเจตนาไม่ทราบว่าเป็นยังไงครับถ้าขยายตามดีกานี้ท่านบอกว่าเพียงแต่ยกอะไรเป็นประธานเท่านั้นเองนะแต่แต่ตามที่ผู้การกล่าวนี้เรียกว่ากล่าวตามที่สังเกตเห็นอย่างนั้นเถอะแต่ว่าตามนัยยะแห่งดีกาเพียงแต่ว่าท่านยกเจตนาศีลก็เอาเจตนาเป็นประธานถ้า เจตสิกสินก็เอาวีรตีกับมโนกรรมเป็นประธานเท่านั้นเองก็เจตนาวิรตัตกับวีรตีต่างกันยังไงครับผมดูดูแล้วก็คล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลอง เ, อเจตนาที่จละเว้นกับกับวีรตีคือก็วีรตีก็คือวิรตัตเว้นเหมือนกันนะครับ <laughs> อะไรคือศีนนะหนึ่งเจตนาเป็นศีลสอง เจตสิกเป็นศีลนไห า, ามตงหากเลยนะสสังวรเป็นศีล4อวีติกมะการไม่เก้ารล่วงก็เป็นศีลเจตนาเป็นเจตนาของบุคคลผู้ละเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นคำว่าละเว้นเนี่ยนะละอย่างไรละตรงนี้เนี่ยนะหมายความว่าละด้วยการ สมาทานวิรัตกับสัมปัตตะวิรัรตจจริประจวบแล้วก็ไม่ล่วงละเมิดออกไปนั่นนะย ก, ยกตัวอย่างเช่นบางบางคนก็บอกเออเราเป็นอย่างนี้แล้วจะไปฆ่าได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะั่นนะเ อ, อเรานี่เป็นอย่างนี้เป็นคนระดับนี้จะไปหยิบช่วยเอาของคนอื่นง่ายๆได้อย่างไรทั้งๆที่ไม่เคยสมาทานมาก่อนเลยแต่ไปประจวบเหมาะเข้าก็เลย เกิดการงดเว้นขึ้นโดยการคิดอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เรียกว่าสัมปั ต, ตวิรัติอันเจตนาของผู้ละเว้นจากผู้จริญมีปานาฏิบัติเป็นต้นเนี่ยนะเจตนาสองที่ขณะสมาทานกับขณะสัมปัตตขณะนี้เรียกว่าเจตนาเป็นศีลเจตนาข้อกลุ่มที่1เจตนาที่สอง คือเจตนาของผู้ประพฤติวัดนะประพฤติกับประพฤติกับปฏิบัติก็อันเดียวกันนะถ้าเป็นพระก็มีอุปชายวัดเป็นต้นนะถ้าเป็นคารวะก็ต้องเป็นพ่อแม่เป็นต้นะนะก็นับว่าเป็นศีลเหมือนกันเจตนานี้ก็เป็นเจตนาศีล อันนี้กลุ่มที่หนึ่งนะกลุ่มที่สองก็คือจเจตนาที่ละจากกายทุจริตเจตนาในการละกรรมบทเจ็มีฆ่าสัตว์เป็นต้นนนะยกเจตนาขึ้นมาเป็นหลักนนะที่จริงในการละตรงนี้ไม่ใช่ไม่มีวีรติเกิดร่วมด้วยมีแต่ยก ยกเจตนาเป็นประธานเฉพาะกลุ่มนี้นะที่จริงตรงนี้กับตรงนี้ไม่น่าต่างกันแต่ว่ า, เ, าเจตนาในายะที่หนึ่งเนี่ยนะซึ่งต่างจากเจตสิกสินเจตสิกสีนเจตสิกสีนก็มีสองในเหมือนกันเจตสิกีินในที่หนึ่งเป็นชื่อของวีรตีสเจตสิกีินในที่สองก็คืออนะพิชา อัพยาปาทะแล้วก็สัมมาทิฏฐิก็จะเห็นความแตกต่างกันน ะ, ะยกตัวอย่างนะว่าเจตนาของบุคคลผู้ละเวนจากทุจริตมีปาณาติบาตเป็นต้นเจตนาศี น, นี้ก็จะตรงกันข้ามกับเจตสิกศีนที่เป็นวีรติทีนี้ท่านก็นมาแยกว่าเฉพาะอันนี้เนี่ยนะยกเจตนาเป็นประธานในการละ อันนี้ยกวีรตีเป็นประธานในการละแต่ก็ละเหมือนกันเพราะว่าเจตนาเป็นประธานในการละก็มีพุทธพจน์รองรับเจตสิกเป็นประธานในการละเพราะพุทธพจน์ก็มีเพราะฉะนั้นเวลากล่าวก็เลยต้องกล่าวทั้ง2 อ, อย่างนะถ้ากล่าวเจตนาเอาเป็นเจตนาศีลไปแล้วการกล่าวว่าเจตนาศีลเจตสิกศีลก็มีในปฏิสัมพิธามัชเพราะข้อความอั น, นี้ยกมาจากปฏิสัมพิธามัช เป็นคำพีชันบาลีทั้งนั้นเลยทีนี้ส่วนเจตนาศีลในที่2เนี่ยนะได้แก่เจตนาที่ละการล่วงอกุศลกรรมบเนะคือเรียกว่าละจากกายกรรม 3— วจีกรรม4่เจตนาที่ละอันนี้นี่แหละก็จะตรงกันข้ามกับเจตสิกศีลซึ่งเจตสิกศีล น, นั้นได้แก่เจตสิกอื่นๆที่ไม่ใช่เจตนา ซึ่งเจตสิกอื่นได้แก่อโลพาอาโทสะและอโมหะซึ่งซึ่งตรงกันข้ามกับเจตนาศีลใช่ไหมหรือว่าคนละอันกับเจตนาศีลมันมีองค์ธรรมหลายอย่างก็เลยเรียกเจตสิกศีลซะเพราะฉะนั้นถ้าพูดโดยรวมๆคำว่าเจตนาศีลได้แก่เจตนาที่งดเว้นจากกายทุจริต3วจีทุจริตส นะเจตนาที่เป็นเหตุให้ลืละทุจริตเหล่านี้และเจตนาของบุคคลผู้ตั้งตั้งใจประพฤติวัดปฏิบัติเนี่ยนะเจตนาเหล่านี้เรียกว่าเจตนาศีลส่วนเจตสิกศีลก็เท่ากับ เ, เจตสิกที่เป็นวีรตีสและก็มโนกรรมอีกสนะคืออนนพิชาอัพยาปาทะและสัมมาทิฐิอันนี้ก็เป็นเจตสิกศีล ขันเจตนาศีลองธรรมอันเดียวเลยสภาวะของเขาอันเดียวคือเจตนาเจตสิกส่วนเจตสิกศีลได้องธรรมหกเนาะได้องธรรมหกคือสัมมาวาจาหนึ่งสมากรม 1, สมารตะหนึ่งสัมมาอชีวะหนึ่งสามนะแล้วก็อนัพิชาอัพยาปาทะและสมาทิทฐิเนะเจตสิกศีลมีหกองธรรมหกสภาว ะ, ะในส่วนของ อนาพิชาอัพยาปาทะสัมมาธิทิหรือวีรตีเป็นต้นเนี่ยนะมันกุศลศีลเนี่ยนะเกิดขึ้นไม่เฉพาะเว้นอย่างเดียวนะตั้งใจปฏิบัติ ด, ด้วยนะเช่นตั้งใจพูดเพื่อคำพูดนั้นไม่ให้มีมุสาอยู่ในนั้นเลยเจตนาอันนี้ก็เป็นศีลด้วยนะตั้งใจทำอะไรโดยที่ไม่ให้ล่วงเป็นกายะทุจิตเลยเจตนาเหล่านั้นก็เป็นเจตนาศีลด้วยเพราะฉะนั้น าถามว่านั่งเฉยๆอย่างนี้ไม่ทาอะไรสักอย่างเลยนะนั่งรักษาศีลอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็ น, นั่งใจลอยถามว่าเป็นศีนไหมเราต้องดูอใจที่ลอยคิดถึงอะไรด้วยนะ <c oughs> ถ้าคิดถึงรูปเสียงเกลืน่นรถโพธาภะส่วนใหญ่ไม่ใช่ศีนอย่างแน่นอนนะเป็นอากุศลซะส่วนใหญ่เพราะถ้าคนที่ไม่เข้าใจสภาวะธรรมเหล่านี้ก็ยากเหมือนกันที่จะรักษาศีนเหล่านี้ได้ถ้ารักษาศีนเหล่านี้ไม่ได้ จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างไรนะขนาดขนาดศีลเนี่ยนะเมื่อเทียบกับสมาธิเทียบกับปัญญาเนะี่ยศีลเนี่ยับนับว่าหยาบที่สุดแล้วในบรรดามรรคแเนี่ยนะศีลเนี่ยนับว่าหยาบที่สุดแล้วมรรเป็นเรื่องเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับเรื่องวาจาแต่ว่าไอ้กายวาจาเนี่ยนะการขยับขยือนเคลื่อนไหวเป็นต้นก็ไม่ได้เป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลอะไรถ้าไม่มีกุศลธรรมเหล่านี้แต่กุศลธรรมเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้น ทำให้เกิดการขยับเขยือนเคลื่อนไหวทำให้เกิดการพูดเป็นต้นเจตนาเหล่านี้ mm hmm. นี่แหละเป็นพื้นฐานแห่งการบรรลุมรรคผลเพราะว่านายะต่อไปจะได้ขยายคำว่าอัฏฐะของศีนเนี่ยเป็นชื่อของการรองรับกุศลธรรมชั้นสูงต่อไป mm hmm. ถามว่าเจตนากับวีรตีนี่เกิดร่วมกันไหม mm hmm. เกิดร่วมกันนั่นแหละครับเพียง mm hmm. แต่ว่าจะยกอะไรเป็นประธานนะ ขณะที่เจตนาที่เป็นเหตุให้งดเว้นจากปานาติบาตเจตนาในขณะนั้นก็มีวีรตีแต่วีรตีเนี่ยจัดอยู่ในธรรมที่อยู่ในฝักฝ่ายของเจตนาหรือจะเรียกว่าอภโหหาริกก็ได้ น, นะในขณะที่วีรตีเป็นประธานพิเศษที่สุดเนี่ยนะในขณะนั้นก็มีเจตนาแต่เจตนาก็จัดว่าอยู่ในฝักฝ่ายของวีรตี หรือว่าเรียกว่าอภโภหาริกไปเลยก็ได้ดูในเจตนาเป็นศีนี่นะในข้อวจีทุจริตศีนี่นะครับ <c oughs> เช่นการพูดคำหยาบนะครับเราเรามีเจตนาที่จะเว้นนะเพียงแต่ว่าขณะที่กำลังจะพูดแล้วก็วิลาเธริญเว้นเจริ์นี้เป็นการรักษาศีนไว้ได้ ศีลไม่ขาดศีลไม่ดังไม่พร้อยใช่ไหมครับพอมาถึงเจตสิกเป็นศีลเนี่ยตัวนี้เนี่ยได้แก่สัมมาวาจาซึ่งสัมมาวาจาความหมายย่อมสูงกว่าการที่เว้นจากการพูดหยาบคือพอเจตสิกเป็นศีลเนี่ยจะต้องพูดด้วยสุภาษิตพูดด้วยรู้จักการละรู้จักประโยชน์รู้จัก ด้วยเมตตาอะไรเนี่ยนะครับดูแล้วนี่นะครับเพราะเจตสิกเป็นศีลเนี่ยนะสูงกว่าสูงกว่าเจตนาเป็นศีลเพราะอันนั้นเป็นการเว้นสิ่งไม่ดีนั้นแต่พอมาเจตสิกเป็นศีลต้องพูดดีด้วยลักษณะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ทําตามนั้นศีลก็ไม่สมบูรณ์ในลักษณะของเจตสิกเป็นศีล ไม่ทราบไม่ทราบว่ายังไงครับอันนี้ก็คือตามตามความเข้าใจนะแต่ว่าถ้าจากสังเกตจากข้อความที่อยู่ที่ที่กล่าวถึงเนี่ยนะเพียงแต่แยกให้ดูว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นเองไม่พบว่าท่านจัดว่าอะไรพิเศษกว่าอะไรนะเพราะว่าถ้ามาเรียงตามตามลักษณะของเสียนี่นะครับเจตนาศีลเราเห็นว่าผมเข้าใจเองนะว่าวาเป็นขั้นต้นนะครับ พอเจตสิกสีนสูงขึ้นมาหน่อยนะครับพอที่มันเป็นเรื่องของสังวรนี่นะครับนะสังวรนี่สูงกว่านั้นเข้าไปอีกครับนะฮะสังวรศีลนี่ก็เป็นกุศลธรรมที่สูงขึ้นไปสําหรับผู้ที่มีสังวรและไม่มีสังวรนี่ต่างกันมากเลยคนที่รักษาศีล์สองสองอันดับแรกนี้นะครับโดยที่ไม่มีสังวรเลยนะครับก็แตกต่างกันเยอะ อันนี้เ ป, นเป็นลักษณะของการเรียงขอ ง, ของผู้การน่ยนะแต่ที่จริงถ้าเรามองทั้งสี่อย่างเลยคือเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลและอวิติกรรมศีลสังวร น, นี่มีห้าข้อหนึ่งเนี่ยนะศีลและสังวรศีล ส, สังวรกับอันนี้เนี่ยที่จริงอ่ะไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกันนหนะแลวเพราะว่าอิอนทรีสังวร อ, อย่างเงี้ย อินทรีสังวรกับอนัต พ, พิชาอัพยาปาทะตรงนี้ก็ไม่ต่างกันไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าออสัมมาทิฏฐิก็มโมหะใช่ไหมที่จริงก็ไม่มีความแตกต่างกันเท่าไหร่แต่ทีนี้ว่าท่านสามารถจำแนกได้อะคือท่านสามารถจำแนกว่าสภาวะอันนี้ก็เป็นศีลช า, าวาว่าอันนี้ก็เป็นศีล ดีนะถ้าหากว่าศึกษาในศิกขาปะดัวิพังเนี่ยนะศึกษาบทวิพังในะคำพีวิพังเลยนะเอาไปเอามาเจตสิกทุกดวงที่เกิดขึ้นเป็นศีลหมดเลยต้นนะแยกให้ดีนะอวีระตีนะเป็นศีลแยกไปแยกมาไ อ, กไอ้นี่ก็ศีลขึ้นอ้นี่ก็ศีลขึ้นสรุปเอาทั้งจิตนั่นแหละแต่ว่าจะพูดจิตทีเดียวเลยมันง่ายไป <c oughs> จะบอกว่ากุศลจิตที่เกิดนั่นแหละเป็นศีลเลยเออมันง่ายไปเพราะฉะนั้นก็นมาค่อยแยกเยะหารายละเอียดไปไม่งั้นก็ไม่ลึกซึ้งอะนะ แต่ก็คือถ้าหากว่าจะเอาปฏิบัติใช่ไหมก็แบ่งออกเป็นสองเนี่ยประพฤติกับละเวนวีรตีเนี่ยนะ เ, เจตนามันก็มีทั้งปฏิบัติอยู่นะที่ประพฤติวัดคําว่าประพฤติวัดเนี่ยนะไม่ใช่แค่ไปเช็ดไปถูอย่างเดียวนะก็เช่นการรู้จักกล่าวรู้จักผู้รู้จักอะไรเนี่ยนะนั้นคนที่อุปถากเป็นเนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ฉลาดเนี่ยนะแล้วก็อย่างอย่างสมมติว่าคนที่ดูแลพ่อแม่เนี่ยนะสมมติถ้าศีลเขาดูแลพ่อแม่เนี่ย ประพฤติเนี่ยถ้าพูดไม่ดีเนี่ยท่านไม่ให้เราไปดูแลท่านไหงั้นเราก็ต้องฉลาดในการใช้คําฉลาดในพฤติกรรมและคําพูดนั่นแหละเพราะฉะนั้นเจตนาศีลก็มีทั้งเจตนาที่ปฏิบัติและเจตนาที่งดเว้นอยู่ในที่เดียวกันยกตัวอย่างถ้าละจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการฆ่าสัตว์ก็เป็นคนที่มีจิตเมตตาต่อสัตว์เอ็นดูต่อสัตว์ะนะวางอาบญานในสัตว์วางศาสต ร, ตราในสัตว์เนี่ยนะก็ อที่เดียวกันเนี่ยนะแสดงให้ประมวลพร้อมกันเลยก็ได้เนี่ยนะทั้งเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีล อ, อวีติกมามศีลในขณะที่กุศลจิตเกิดขึ้นเนี่ยนะสมมติว่ากุศลจิตเกิดขึ้นอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะถ้าเกี่ยวกับเรื่องศีลแล้วเนี่ยคืออารมณ์นั้นเนี่ยไม่ใช่อารมณ์สมถะก่อนอารมณ์นั้นไม่ใช่อารมณ์วิปัสสนาอันนะแยกนิมิตออกก่อนกุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยนะ เราจะมาไล่เจตสิกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเขาก็เป็นศีลในตัวของเขาแต่เขาจะเป็นศีลอะไรเท่านั้นเองเห็นไหมแยกไปอย่างเช่นอ้าวเจตนาเจตสิกเป็นเจตนาศีลนะนาวีรตีแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวก็เป็นเจตสิกศีลอีกนะอะโลพาอะโทสอาโมหาก็เป็นเจตสิกศีลถ้าเอาสังวรมาด้วยนะสติเจตสิกก็เป็นอินทรีย์สังวรศีล วิริยะเจตสิกก็เป็นวิริยะสังวรปัญญาเจตสิกเป็นทั้งอะอะสัมมาทิฏฐิด้วยเป็นทั้งญาณสังวรด้วยนะไล่ไปไล่ามาเอิมจะเป็นไปเกือบหมดเลย